แนะนำบทอัดดูคอนบทอัดดูคอนเป็นบทมักกียะห์มี 59 องค์การที่กล่าวถึงเป้าหมายต่างๆของบทมักกียะห์คือการให้เอกภาพศาลและการฟื้นคืนชีพเพื่อความมั่นคงแก่หลักอะกีดะห์และให้หลักการอีหม่านมีความหนักแน่นบทนี้ได้เริ่มด้วยการกล่าวถึงการปฏิหาริย์ซึ่งจะคงเหลืออยู่จนกระทั่งอัลเลาะห์ จะทรงให้แผ่นดินและทุกสิ่งที่อยู่บนแผ่นดินรับช่วงต่อไปและพวกเราย่อมจะกลับไปหาพระองค์วันนี้ได้กล่าวถึงการที่อัลเลาะห์ทรงประทานอัลกุรอานลงมาในคืนอันจําเริญคือคืนอัลกอดัดและได้ชี้แจงถึงความมีเกียรติของคืนอันยิ่งใหญ่นั้นซึ่งกิจการของมนุษย์ได้ถูกจําแนกและได้ถูกจัดเตรียมไว้ในคืนนั้น คือพระประธานคัมภีร์ฉบับสุดท้ายแก่ท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมซึ่งเป็นรอซูลคนสุดท้ายบทนี้ได้กล่าวถึงท่าทีของพวกบูชาจเวตที่มีต่ออัลกุรอานนี้แล้วว่าพวกเขาอยู่ในการสงสัยและแคร่งใจต่อเรื่องของอัลกุรอานทั้งๆที่มีความกระจ่างแจ้งของบรรดาองค์การและหลักฐานอันชัดเจน และบทนี้ได้กล่าวเตือนพวกเขาถึงการลงโทษอันหนักหน่วงบทนี้ได้กล่าวถึงฟิราอว์และสิ่งที่ได้ประสบกับพวกเขาคือการลงโทษและสัญญาร้ายเนื่องด้วยการฝ่าฝืนและการกระทำอาชญากรรมและร่องรอยต่างๆซึ่งพวกเขาได้ถึงเอาไว้หลังจากความหายนะได้ประสบแก่พวกเขาเช่นพระราชวังคฤหาสน์สวนดอกไม้สวนสาธารณะแม่น้ําลําทาน และจากการรับช่วงมรดกจากวงวานอิสราเอลอีกทั้งสิ่งที่ได้เกิดกับพวกเขาเช่นการวิ่งหนีเพราะความกลัวและการพ่ายแพ้อย่างยับเยินอันเนื่องมาจากการฝ่าฝืนการทรยศของพวกเขาต่อข้อชายข้อห้ามของอัลเลาะห์นั่นเองวันนี้ได้กล่าวถึงพวกมุชริกีนชาวกุเรชและการปฏิเสธของพวกเขาต่อการฟื้นคืนชีพและการชุมนุมในวันกิยามะห์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 บทนี้ได้จบลงด้วยการชี้แจงถึงชะตากรรมของคนดีและชะตากรรมของคนชั่วการรวมเข้าด้วยกันระหว่างการจูงใจและการขู่การแจ้งข่าวดีและการแจ้งข่าวร้ายบทอัดดูคอร์ถูกขนานนามเช่นนี้เพราะอัลเลาะห์ทรงทําให้เป็นสัญญาณเพื่อขู่พวกปฏิเสธโดยที่พวกเขาประสบกับความแห้งแล้งและการอดอยากอันหนึ่งมาจากการปฏิเสธของพวกเขา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 কিতাবিল মুবিন হা ম খ সাবাহান দুই কাምপি আন শাতাজ্জা ইননা আযালনাহু ফী লাইলাতিন মুবারাকাতিন ইন্নাকন্না মুন্দিরিন তা জিং রাও দাই ប្រថាণ আলকুরআন লং মা নাই কুন আন জামরিন แท জিং রাও পেন পুউ তাকเตือน هي يفرق كل امر حكيم ในคืนนั้นทุกๆกิจการที่สําคัญถูกจําแนกไว้แล้ว امر من عندنا انا كنا محسنين โดยเป็นบัญชามาจากเราแท้จริงเราเป็นผู้ส่งศาสนทูตมา رحمه من ربك انه هو السميع العليم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 يوميت ربكم ورب ابائكم الاولين ما فيพระเจ้าอื่นใดนอกจากพระองค์ ผู้ทรงให้เป็นและผู้ทรงให้ตายพระผู้อภิบาลของพวกเจ้าและพระผู้อภิบาลของบรรพบุรุษของพวกเจ้าในสมัยก่อนๆ تدعون في شك يلعبون แต่ว่าพวกเขากังวลอยู่ในการสงสัย فَأَنْتَظِرْ يَوْمَ تَأْتِي السَّمَاءُ بِدُخَانٍ مُبِينٍ ซึ่งจะครอบคลุมผู้คนนี่คือการลงโทษอันเจ็บปวด ربَّنَكِّشْنَا الْعَذَابَ إِنَّا مُؤْمِنُونَ พวกเขาจะกล่าวว่าโอ้พระผู้อภิบาลของเราได้ทรงโปรดเปลื้องการลงโทษมีให้พ้นจากเราด้วยเถิดแท้จริงพวกเราเป็นผู้ศรัทธาอันนาลาฮุมุซซิกเราะวะกอดจาอามรซูลุมมุบีนข้อตักเตือนนั้นจะเป็นผลแก่พวกเขาได้อย่างไรทั้งๆที่ได้มีรอซูลผู้ชี้แจงอย่างแจ้งชัดมายังพวกเขาแล้ว ثم تولوا عنه وقالوا معلم مجنون لا พวกเขาก็ผินหลังออกไปจากเขาและพวกเขากล่าวว่าเค้ามูฮัมหมัดเป็นบ้าที่เคยได้รับการเสี้ยมสอน اننا كاشف العذاب قرينا انكم عائدون แน่นอนเราจะปลดเปลื้องการลงโทษนั้นให้พ้นไปจากพวกเจ้า ชั่วขณะหนึ่งแล้วพวกเขาจะกลับไปสู่สภาพเดิม เยومะนบติชุลบฏชะตัลกุบรอ อินนามุนตะกิมูนวันที่จะปราบพวกเขาอย่างจริงจังแน่นอนเราเป็นผู้ตอบแทนอย่างสาสมวะละกอดะฟัตันนากอบละฮุมเคาอ์มัตอัลฟะรอนวะจาอ์อัมระซูลุนกะรีม และโดยแน่นอนเราได้ทดสอบกลุ่มชนของฟิรเออก่อนหน้าพวกเขาและได้มีรอซูลมูซาผู้มีเกียรติมายังพวกเขาโดยกล่าวว่าจงมอบปวงบ่าวของอัลเลาะห์ให้แก่ฉันแท้จริงฉันคือรอซูลผู้ซื่อสัตย์สําหรับพวกท่าน และพวกเจ้าอย่าทำตนเหนืออัลเลาะห์แท้จริงฉันได้มาหาพวกท่านด้วยหลักฐานอันชัดแจ้ง